บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปไในทีนมิทานิวรันที่ทรงสอนเป็นขั้นตอนในการประพฤติปฏิบัติ佛法เมื่อทีนมิทานิวรันเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีทีนทีนมิทานิวรันเกิดขึ้น ในช่วงต่อไปก็คือทีน้มิถานิวรณ์ตอนที่ยังไม่เกิดนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุอะไรคอยรู้ด้วยสิ่งนั้นการเกิดขึ้นของทีน้มิถานิวรณ์นั้นดังที่ได้กล่าวกันได้ว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องวังลึกอยู่ในจิตสันดานของบุคคลที่เป็นผลแห่งอกุศล ก, กรรมคิดมาแต่กรรําเนิดคือแสดงว่าเกิดด้วย โมหะเจตสิกที่คุมรุมใจอยู่มากประการที่สองเกิดขึ้นจากสุขภาพกายและสุขภาพจิตในขณะนั้นๆประการที่สมก็เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารมากเกินไปตอนนั้นในช่วงที่สองจึงทรงสอนว่าที่น้ำทิฏฐิวรที่เกิดขึ้นแล้วจะสามารถให้สงบระงับไปโดยวิธีใด ไวศึกษาถึงวิจีนั้นที่นัมิท่านีวรนั้นที่จริงก็เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุแต่ในขณะเดียวกันแกก็เป็นเหตุให้เกิดเป็นความง่วงเหงาข้านอนซึ่งซึงมหลยเหงาขวดถูเครื่อเคลิ้มจิตชื่อชายเย็นเหนือหน่อยๆท้อถอยจะถึงกบหมดอะไรตาอยากในชีวิตในกระบว น, นการของธรรมะที่เป็นเหตุเป็นผลกันอย่างนี้ ในการแก้ไขท่านก็มองไปที่สาเหตุที่จะให้นิวรณซึ่งยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วสามารถสงบระงับไปวานนี้ท่านแสดงไว้ในพระคำผีปปัญญสูชนีอันหนึ่งให้สังเกตในการบริโภคอาหารโดยหลักของการปฏิบัติแล้ว มันสอนว่าุู้พิสูจน์ผู้บำเพ็ญเพียรคือผู้บำเพ็ญเพียรทางจิตแต่เน้นหนักไปในด้านสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนั่นอาหารแสัพพายะคือความสะดวกสบายเครื่องอาหารเป็นปัจจัยสําคัญจะส่เงเสริมสนับสนุนให้ความสงบเกิดขึ้นหรือว่าความไม่สงบเกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าอาหารมากเกินไปใจะะก็จะโน้มหนาวเข้าหา อินมิธาในเบื้องต้นเวกาต่อไปก็จะออกมาเป็นรูปของกายมัสันเทนิวอร์ในถ้าหากว่าอาหารน้อยเกินไปในสุดก็จะออกมาในรูปของกุกุจะคือความรำคาญคื่ถึงความฟุ้งซ่านด้าในที่สุดก็จะออกมาเป็นกิเลสประเภทโทสัตขั้นข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับอาหารจึงทรงสั่งสอนไว้ในขั้นตอนต่างๆเป็นอันมาก แม้ด้คำสอนที่เป็นหัวใจหลักคือวตาตปาติโมก็ยังสมเนนเรื่องมาตัญยุตยาปาตสมิ่งคือความเป็นผู้รู้จักประมาณในพัฒนาหารเอาไว้โดยผู้ปฏิบัติสามารถควบคุมอาการทางกายทางใจของตนให้ดำเนินไปในสภาพปกติคือไม่ขาดแคลนจนเกินไปและไม่มีอาหารมากจนเกินไป โดยปกติแล้วการปฏิบัติในชั้นจิตใจถ้ารู้สึกคิ้วนิดหน่อยก็จะเป็นการดีเพราะว่าในขณะนั้นกายก็จะเบาจะช่วยให้ใจของบุคคลเบาด้วยแต่นั่นจะยังสั่งสอนไว่าให้สังเกตการรับประทานอาหารของตนตัว่าอีกสักสี่้าคำจะอิ่มแล้วก็ให้หยุดการรับประทานอาหารต่อจากนั้นจะเป็นการดื่มน้ํา และเชื่อว่าเป็นการเพียงพอแล้วสมรัครผู้บำเพ็ญเพียรในด้านจิตใจในการสังเกตอาหารในลักษณะนี้ในการวิธีบางอย่างท่านใช้วิธีการนับอาหารในตอนต้นคือการรับอาหารรับประทานอาหารตามปกติแล้วก็นับจํานวนอาหารเอาไปว่าเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งได้รับอาหารสักกี่คําและต่อมาท่านก็นั่งนับไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามลดลงมาเรื่อยๆ จะถึงในจุดที่เรียกว่ามีกายเบามีจิตเบาจนเป็นกรรมนิยะคือพร้อมที่จะปฏิบัติบาเพ็ญเพียรทางจิตการต่อไปก็คือให้พยายามปรับเปลี่ยนอุยาบทอยู่เสมอเอุยาบทใหญ่ของคนเราก็คือยืนเดินนั่งนอนที่จริงในแนวของการประพฤตปฏิบัติในสายของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่า พรจ้ญญาทรงเอาวิยาบทมาเป็นเครื่องมือในการเจริญสมถกรรมฐา น, นวิปัสสนากรรมฐานโดยเพราะอย่างยิ่งก็คือเน้นไว้ที่สองจุดจุดใหญ่เรียกว่ายืนเดินนั่งนอนคือใช้วิยาปะทะปะพระคือหมวดเรียว่าวิยาบทในขณะยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็รู้ว่าขณะนี้เรายืนเดินนั่งนอนอยู่ มีสติระลึกรู้อยู่ที่รูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนในขณะนั้นๆจิตก็จะไม่พลาดไปจากปริยาบทเท่าที่ปรากฏในขณะนั้นที่ชุดหนึ่งเพื่อให้การประพฤตปฏิบัติของบุคคลมีสติอยู่ต่อเนื่องกับปริยาบทที่ตนเองเคลื่อนไหวไปประสงสอนในรูปของสัมปชัญญปะปัพพัฒนคือหมวดด้ว่าหมวดที่ว่าได้สัมปชัญญะ ไปใช้สติสมัจจัญญะระลึกรู้ถึงอริยบททั้งหลายทั้งยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดคุกแขนเหยียดแขนห ย, ยิบของหรือไม่แต่อเยี่ยวตัวหลบตัวถอยเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังไปจนมีสติระลึกรู้ทันอริยบททั้งหลายนั่นเป็นแนวในการปฏิบัติที่ทําให้มีความตื่นตัวอยู่กับอริยบทเมื่อมีความตื่นตัวอยู่เช่นนี้ อาการง่วงหนาหงนอนเป็นต้นก็จะสงบกระกำลงไปเพราะการปรเปลี่ยนเรยบบทคืออยู่ในเรียบบทใดเรียบบทหนึ่งมากเกินไปจะนั่งมากเกินไปหรือนอนมากเกินไปหรือแม้จะยืดมากเกินไปตลอดถึงเดินมากเกินไปก็จะต่อให้เกิดความง่วงเหาหงนอนขึ้นมาได้ท่า น, นท่านบอกว่าให้พยายามปเปลี่ยนเรียบบทคือใช้เรียบบทให้สม่ำเสมอ ไม่ควรจะอยู่ในอยาบทใดยาบทหนึง่งนางเกิดไปแม้ในแนวของการปฏิบัติกรรมฐานพระเจ้าก็สงหสางไว้ทุกอิยาบทไม่ใช่ว่าเจาะจงเราจะต้องนั่งคู่บันหลังตั้งกายทรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าเพียงเดียวเพราะประการสําคัญจริงๆอยู่ที่สติลึกรู้ทันอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นๆเป็นประการสําคัญครานี้จะเห็นได้ว่าการบรรลุมรรคผลของพระริยาบุคคลทั้งหลายในอดีตนั้น ก็ไม่ได้เจาะจงว่าอยู่ในเดียบทใดเรียบทหนึ่งบางท่านก็อยู่ในเดียบทื่นบางท่านก็นั่งบางท่านก็นอนบางท่านก็เดินบางท่านอยู่ในระหว่างระหว่างอเดียบ ท, ทั้งสี่คือไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอนเช่นพระอา น, นุทิระนั้นประเด็นสําคัญในการระพฤตปฏิบัติจึงอยู่ที่สติระลึกรู้อยู่ในเดียบทเหล่านั้นการที่พยายามปรัเปลี่ยนเดียบท กำหนดสติระลึกรู้อยู่ที่ระยะบทเหล่านั้นและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสติก็ลัลึกอยู่ที่ระยะบทตอนนั้นความสงบก็จะเกิดขึ้นแม้ในการปฏิบัติกรรมฐานข้ออื่นคือสังเกตว่าก็าส่งสอนไว้ในแนวของการจงกลมุมและในแนวของการนั่งมาเป็นเพียงตลอดถึงแม้แต่นอนการมาเป็นเพียงหรือยือนเพ่งพินิจริงใดสิ่งหนึ่ง เพื่อช่วยให้ระบทของบุคคลที่มีความเปลี่ยนแปลงนั้นปุก ป, ประสาททั้งหลายให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่องกันไปเพสามารถที่จะข่มใจนตนัเองให้สงบจากทีนัมิทา น, นิวอนออกไปไดแ้แม้แต่ตอนที่ทรงแสดงแก่ท่านพระโมคคัลลานะเมื่อไปบะเพยญเพียรอยู่ พ, พระ้าก็สอนมาถึงข้อที่เจ็ดก็บอกให้เดินจงกรม เดินกลับไปกลับมาตั้งสติเลิรู้อยู่เชียริยาบทไะอยู่ปุ่งหมายก็คือต้องการจะให้อิริยาบทได้เปลี่ยนไปแทนที่จะไปนั่งสบายงงอยู่เฉยๆก็รู้ขึ้นเดินเสียแต่มีข้อแม้ว่าเดินโดยมานั่งสิการด้วยกรรมฐานคือทําใจระลึกถึงอารมณ์ของกรรมฐานที่ตนใช้ระลึกอยู่ในขณะนั้นจะสามารถแก้ไขความง่วงเห้านอนออกไปได้ แต่บางครั้งบางคราวเมื่อเราเปรียนทิยาบทไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนทิยาบทกันตลอดคืนอย่างรุ่งเพราะร่างกายนั้นจะต้องมีการพักผ่อนหักนอนอันเป็นปกติของร่างกายทั้งหลายแม้จะเป็นร่างกายของพระอรหันต์เพราะในการนอนแล้วสอนให้นอนยังมีสติที่เรียกว่าอนุธานาศยาคือนอนตะแคงเบื้องขวาซอนในเท้าเหลืองกัน แล้วก็มีสติโดยครูอยู่ที่รูปนอนตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่หาความสุขจากการนอนจากการเคลื่อน ห, หลับจากการพักผ่อนนะความสะดวกสบายแก่ร่างกายจะนอนตามความจําเป็นของร่างกายที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆบางครั้งบางครงาวต้ฝึ ก, กจิตได้มันดีก็จะสั่งตัวเองได้ว่าจะนอนสักกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมง พอตื่นขึ้นก็ต้องรีบรุกขึ้นเพราะถ้าหากว่าไปรอคอยอยู่หรือใช้ท่านใช้คำว่าวิชัมปิตาคือบิดเบือนโดยการแสดงการเกียดคราให้ปรากฏในสุดอาการกองทีนั้มิทะานวิวรณ์ก็ได้เชี่ยวเพิ่มขึ้นจะทำให้ติดเป็นนิสยัยที่ในสุดก็จะแก้ไม่ได้ระการที่สามนั้น แต่สอนมาให้ทำอารมอกสัญญาคําว่าอารมกสัญญาเป็นอารมณ์ของกสิณประเภทหนึ่งกสิณก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานข้อที่ทรงสอนให้นํามาเพ่งไปนิพิจารณานั้นแต่แก่ผู้ดินน้ําลงไฝลูกสีต่างๆมีสีขาวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีเขียว แล้วก็ดูที่ช่องว่างกือดูที่อากาศทั้งหลายลักษณะการเจริญกรรมฐานแนวอโลกสัญญานั้นคือทําใจให้มีความรู้สึกว่าอยู่ท่ามกลางแสงสว่างในเจะรินกลางคืนอยู่ท่ามกลางความมืดกรรมนัสิการว่าอยู่ท่ามกลางแสงสว่างการเจริญกรรมฐานลักษณะนี้เป็นสังเกตว่าบางขณะเราก็ต้องจินตนาการเอา ทำนองเดียวกับการเจริญแนวลูกกับลูกกับประานทั้งหลายฉันพิจารณาว่าอากาศหาที่สิ้นสุดไม่ได้ยึงอากาศเราก็สัมผัสไปตามไม่ได้แต่ว่าเราก็คิดเอาเราก็ปรุงเอาจนจิตใจเห็นตามคล้อยตามไปว่าอากาศนั้นไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆแล้วต่อมาก็มาดูที่วิญญาณของดวงวิญญาณก็หาที่สิ้นสุดไม่ได้เป็นต้น เพราะลักษณะของ น, นโลกาสัญญาบางครั้งแสงสว่างมีอยู่ก็ทำใจได้ง่ายแต่บางครั้งไม่มีแสงสว่างเมื่อบังสายการทำใจเอาแนวของการจินตนาการแบบนี้ไปสังเกตว่าบางครั้งเช่นความแก่ความเจ็บความตายยังไม่ปรากฏแกเราในขณะนั้นโดยเฉพาะก็คือความเจ็บความตาย แล้วก็ใช้จินตนาการเอาจากสัญญาเด็ดดีซึ่งเคยพบคนตายคนเจ็บอยู่หรือแม้แต่เราเองก็เคยเจ็บกะดำอารมณ์เหล่านั้นมาคิดมาพินิจพิจารณาเพืนะ่อสามารถถ่ายถอนความกําหนดความเพลิเพริยินดีในกายตนในกายบุคคลื่นในบรรเทาประบางลงไปก็แนวโลกาสัญญาคือทําใจเสมือนกลางวันไม่ว่าจะอยู่ในทํากลางแสงสว่างหรืออยู่ในทํากลางความมืดก็ตามก็ทําให้ กคุณมีความรู้สึกว่านี้เป็นกลางวันใจจะสงบอยู่ที่ตัวอารมณกสัญญาคือตัวแสงสว่างที่เราจินตนาการขึ้นนั่นเองก็สามารถบรรเทาความเงาๆความนอนลงไปได้อาการต่อไปก็คือเรื่องของกาลยาณ น, นมิตรแต่เพราะว่าองค์ธรรมข้อนี้จะปรากฏอยู่ในที่ต่างๆเป็นัันมาก อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของบุคคลเราแต่ละคนนั้นไม่มีใครจะเริญเติบโตมาได้โดยลำพังตัวเองแต่จะต้องมีการอิงอาศัยซึ่งกันและกันพระนนเทระได้เคยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าถ้ามีความเห็นว่ากา ร, รยายนวิตนั้นเป็นกึ่งหนึ่งของการประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ทีเดียวพุะเจ้ารับสั่งว่าไม่ใช่กึ่งหนึ่งหรอก แต่มันเป็นตัวประมาจันคือตัวการประพฤติปฏิบัติดีหรือตัวใช้ชีวิตอันประเสริฐของบุคคลคราวนี้มันสังเกตว่าแม้แต่พระโพธิสัตว์ของเราในตอนที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัตรู้ก็มีปัญหาในการประพฤติปฏิบัติแต่พระองค์ก็ได้กัญยาณมิตรซึ่กัญยาณมิตรนั้นบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องของบุคคล เช่นในขาว่าเป็นทุรกรักตุรยาจุทรมานพระลกาจนสาหัสสากันในขณะนั้นแม้ท่านปันจักรีเองก็มีความคิดว่ากล้าจะสัตรู้แล้วท่านจึงไม่สนใจที่จะช่วยเหลือข้ามปรามแต่ประกาศตาเพราะท่านมีความเชื่อของท่านอย่างนั้นแต่ในขณะนั้นเองท่้นก็ได้ยินเสียงการดีดผินซึ่งปรากฏได้ชัดเจน ามตั น, นานท่านบอกว่าเป็นการดีของเทวดาแล้จริงจะเป็นเทวดารุประชาชนก็ตามแต่าการดีผิดในคราวนั้นได้จุดประกายของปัญญาให้พรวงขึ้นภายในพระไทยของพระองค์โดยทรงพิจารณาเรียนรู้ความจริงแห่งชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนั้นก็คือการระธุติปฏิบัติในด้านจิตใจในด้านร่างกายก็นัน เราสังมองเห็นว่าการปฏิบัติแนวนี้มันก็เหมือนกับสายผินที่ขึงตึงเกินไปก็คือจะดีข้าวก็ต้องขาดแต่ในขณะเดียวกันก็สังมองมองย้อนกลับเขไปสู่ชีวิตแนดเด็ดในที่ในสมัยที่ยังเป็นพระราชกุมารอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ชวในใหน้กำลังเพลิดเพลินยินดีพะสังมองเห็นชีวิตในแนวนั้นว่ามันก็เหมือนสายผินที่หย่อนเกินไป เส้นดีดข้าวมันก็ไม่มีเสียงอะไรเพราะสายพินที่ตึงก็ส่งสัมผัสแล้วสายพินที่หย่อนก็ส่งสัมผัสมาแล้วเพราะสายพินชนิดไหนที่เรียกว่าจะดีดเป็นเพลงได้สบายก็คือสายพินที่คึงไว้กลางๆไว้ถึงเกินไปและไม่หยอดเกินไปพราะตัวความคิดก็ดีตัวเสียงพินก็ดีจึงๆชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรของพระโพธิสัตว์ในขณะนั้นๆแล้วก็ช่วยให้ ทรงสรสรุธรรมในที่สุดได้การยาีมนไม่ในความหมายของการระพฤตปฏิบัติพระเ้าทรงหมายทั้งส่วนที่เป็นบุคคลที่มีตัวตนเป็นครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนฝูงร่วมศึกษาร่วมปฏิบัติทํามการที่เราเรียกว่าปุคละส ป, ปายะคือบุคคลที่ทำหน้าทีก่กื้อกูลแต่บางครั้งเป็นเรื่องมรรธรรมะที่บุคคล น, นาไประพปฏิบัติที่ระยะ เช่นอวิมัรืองแประการก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรของบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ใครสามารถปฏิบัติตนดําเนินตนใ้อยู่ในครองของมริมักรืองแประการได้ก็ชื่อว่าไร่กัลยาณมิตรที่ประเสริฐและบางครั้งมาสังรวมหมดเรียกว่าศาสนาพุทมิจฉันคือศาสนธรรมในพรษษะศาสนาทั้งหมดนั้นชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรของบุคคล อนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากัลยาณมิตรนั้นจะแสดงตนเองออกมาในสี่สถานะด้วยกันรัชยใหญ่ก็แสดงมาสี่สถานะคือหนึ่งมีความรักใคร่บุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลที่ตนเข้าไปเป็นมิตรสองมีจิตคิดอุปการะช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน สามแนะนำกระแนะนาประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็สี่พร้อมที่ร่วมทุกร่วมสุขกันได้ในที่ตุกสถานในการทุกเมืองข้อนนี้จะเห็นได้ว่าธรรมะนั้นมีอุปการะท ร, รมต่อบุคคลทั้งหลายอย่างตัวอย่างธรรมะที่ชัดเจนก็คือสติสัมปชัญญะต่อความเพียน ที่เป็นอุปการะธรรมมันสําคัญในการดําเนินชีวิตของบุคคลทุกขั้นตอนไม่ว่าในขั้นของการดรํารงชีวิตครองเรือนครองสุขแบบสาวบ้านในการศึกษาโรงเรียนของนักเรียนในการทํางานของกรำลังเป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันการปฏิบัติที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเป็นขั้นตอนของศีลสมาธิปัญญาก็จะเป็นจะต้องอาศัยอุปการะธรรมคือสติและสัมปชัญญะเป็นเครื่องกําหนดอย่างสาคัญ จึงทรงสั people, ่งสอนว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากแสดงว่าธรรมเหล่านี้ก็คือการระยัดมิตรของบุคคลทั้งหลายผู้มีสติสัมปชัญญะนั่นเองประการที่สองธรรมะเหล่านั้นเป็นการแสดงประโยชน์แก่ผู้ศึกษาปฏิบัติไว้ในขั้นต่างๆทั้งประโยชน์เบื้องต้นทั้งประโยชน์ที่ประณีตขึ้นไปเป็นส่วนของการพัฒนาจิตใจและประโยชน์อย่างสูงสุด คือมรรคผลนิพพานที่บุคคลจะได้จากการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้เพราะบุคคลได้ศึกษาได้พิจารณาแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติไปตามหลักธรรมที่ทรงแสดงสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งหลายหากเขาได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ฐานะของธรรมเหล่านั้นเทมตมะเทวดาดที่ทรงสอนให้กาหนดรู้สภาวะความเป็นจริงของธรรมะเหล่านั้นไว้ แต่บุนคคลทำใจได้สามารถเข้าถึงความจริงของสิ่งตอนนั้นได้เพราะสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นจะตกอยู่ในกฎของประใจรักคือไม่เชื่อมเป็นทุกข์ในความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาและพิจารณาได้ทำใจได้มันก็ได้ประโยชน์จากการทำใจในลักษณะนั้นวิส่วนใดที่ทรงสั่งสอนที่แจ้งแสดงให้ทราบว่าเป็นโทษเป็นภยัยเป็นอันตรายเป็นฝากน้าเป็นหลุมบ่อ เยวก็เป็นศัตรูของบุคคลบุคคลได้พิจารณาตามเห็นตามแล้วก็เปลี่ยนพยายามลดละไม่ประพฤติไม่กระทําไปตามอำนาจของกิเลส่านั้นคือว่าเป็นการละที่มีประโยชน์ให้เราสังเกตว่าทุกอย่างจะต้องมองไปที่ประโยชน์สามารถที่จะเกิดประโยชน์ขึ้นได้เพราะสำคัญระบุคคล น, นั้นเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่ แต่ว่ามีความฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์แม้สิ่งที่เป็นโทษเราก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่า น, นั้นได้เช่นยิเลสเป็นสิ่งที่เป็นโทษแต่บุคคลศึกษาพิจารณาจนมองเห็นโทษไปจากแจ้งแก่ใจประเพียรพยายามที่จะปิดกั้นลดละบรรเทากระดาษิเลสทั้งหลายที่ยังไม่เกิดและเกิดขึ้นแล้วไม่ให้มีอิทธิพลมากเกินไปจนเกิดขึ้นครอบงำใจตนเองได้ แต่ธรรมะบางประการมีการทําให้แจ้งเป็นเป้าหมายตั้งไว้ที่กําหนดไว้เป็นเรื่องความสุขความสงบความประเกษมเป็นเบียงชีวิตที่บุคคลจะสามารถสัมผัสได้ในขั้นตอนตอนนั้นบุคคลได้ปลูกฝัความพอใจและใช้ความเพียรพยายามไปไปรับป้าผลเช่นนั้นการทําให้แจ้งในทําเหล่านี้ก็เกิดประโยชน์ ก็กลุ่มกุศลและธรรมทั้งหลายที่ทรงสอนไว้ในแนวของการประพฤติปฏิบัติตามสังควรกฐานะขององค์ธรรมเหล่านั้นไปใช้ไปเรื่องอะไรเพราะธรรมานั้นท่านเรียกว่าเป็นโอสเ ถ, าถาเกเดิดเป็นยาพระธรรมเป็นยาขจัดทุกข์พระสงฆ์เป็นยาขจัดโรคพระพุทธเป็นยาขจัด พระพูดธเป็นยาขจัดทุกข์พระธรรมเป็นยา ข, ขจัดภยัยพระสงค์เป็นญา ข, ขจัดโรคโดยส่วนย่อกย้องสันเสริญกันมันเรามองจากยาแล้วจะเห็นในชัดว่ายาจะมีหลากหลายสารพัดชนิดแก่โรคได้แตกๆกันประเด็นสำคัญก็อยู่ที่ว่าผู้ใช้ยาเหล่านั้นจะใช้ถูกต้องหรือไม่ถ้าว่าใช้ถูกต้องแกส่สมุทฐานของโรค หากเไม่ใช่โรคที่เกิดใจกรรมแล้วอาการของโรคเหล่านั้นจะบรรเทาเบาบางลงไปจนถึงขายขาดได้ในที่สุดเพราธรรมในแนวของการประพฤติปฏิบัติที่จะเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์นั้นเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องใช้ปัญญาสอดส่องพิจิตรพริจารณาธรรมะเหล่านั้นก็จะร่วมทั้งทุกข์ทั้งสุขแก่บุคคลทั้งหลายทีนี้ถ้าคุณสมบตัติเหล่านี้ไปอยู่แก่บุคคล บุคคลนั้นก็กลายเป็นปุกะละสัปปา ย, ยะคือบุคคลที่เกื้อคุลต่อการระทฤติปฏิบัติมีการเชื่อยเหลือสนับสนุนกันบางครั้งแม้จะไม่ร่วมศึกษาธรรมปฏิบัติธ ร, รรมด้วยกันเช่นสามีปัญญาอยู่ที่บ้านคนหนึ่งสนใจศึกษ า, าธรรมปฏิบัติธรรมต้องการความสนุกอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องไม่ทําตนเป็นปฏิบัติ์มีการส่งเสียงมีการช ว, คชวนคุยให้สั่น งานอะไรขึ้นมารบกวนให้ภ่ายหนึ่งก็เดือดร้อนก็ถือว่าเป็นบุคลาส ป, ปายะแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่เป็นการยานมิตรเพราะได้ประพฤติกระทําในสิ่งที่เป็นอุปการะะคุณต่อผู้ชี้มงเว็นเพียนทางจิตจงและข้อสุดท้ายก็คือส ป, ปายะกถาปัญหาสำคัญในการประพฤติปฏิบัติในด้านจิตใจนั้นเด็สังเกตว่า อารมณ์ก่อนที่จะปฏิบัติเป็นเงื่อนไขที่สำคัญมากว่ามันจะนั่งสมาธิได้สงบหรือไม่แต่ว่าก่อนจะปฏิบัติมีเรื่องขุดมัวเศร้าหมองมีการทะเลาะวิวาทการพูดจาหยาบคายกันแลสิ่งเหล่านั้นยังเป็นตะกอนใจเป็นสนิมใจตกค้างอยู่ภายในใจแม้จะเป็นนั่ง่าเป็นเพียงทางจิตแั่ไรก็จะให้เกิดความสงบขึ้นได้ยากมันทายังไงใน สภาพแวดล้อมในชีวิตปัจจุบันในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนั้นจะได้พูดจาคุยสนทนากันในเรื่องที่สรมสร้างให้เกิดความสงบในจิตใจในข้อนี้ในรูปที่เคร่งครัดจริงๆพูจจะจาได้ขีดบ่งการพูดในหมู่ของพระเอาไว้ไม่ชวนไม่คุยในเรื่องดีราชาในกาถา คือเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องของโลกเป็นลักษณะกระตุ้นราคาตัวสัมมาห์ให้บังเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเท่านั้นก็ต้องคุยต้องสนทนากันไม่ใช่ว่าเป็นบ้าไปก็มีข้อแม้สั่งสอนเอาไว้ในรูปของคาถาวัตถุคือเรื่องที่เรื่องที่ควนํามาพูดกันมาสนทนากันเพราะเรื่องเหล่านี้ถ้าส น, สนทนาไปแล้วจิตใจของบุคคลก็จะโน้มน้อมก้าหาความสงบ ม, มีความกระตือรือร่น จะศึกษาตามปฏิบัติตามนั่นก็คือเรื่องของการมักน้อยชอบตัณโดรดชอบสงะไม่เกี่ยวขอ้องเลยหมู่ประโรคความเพียรการกระทำเป็นสมบูรณ์ในศีลสมาธิปัญญาพิทุหรือมุตติญาณอภัสราแล้วตัวอย่างเราต้องคุยกันเรื่องศีลเูถึงความดีงามของศีลเหตุเกิดของศีลอาการของศีลผลที่ปรากฏต่อนเนื่องของศีล ลผลที่จะได้จากการรักษาศีลหลังจากตายไปแล้วผู้ฟังไม่จะเกิดความกระตือรือร้นที่จะถือตามปฏิบัติตามเราเห็นว่าศีลนมวยประโยชน์สุขให้ตราเท่าชราแต่ยิ่งไปกว่านั้นยังนําไปสู่สุขติใสมบูรณ์ในพุทธสมบัติเป็นต้นบุ้คนไม่เกิดความกระตือรือร้นที่จะศึกษาและปฏิบัติในศีล คือแม้แต่ความสันโดดความมักน้อยความชอบสงบเงียบความเป็นตัวของตัวเองอยู่ในที่ใดที่หนึ่งที่เน้อง น, นาเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจริมผูกเขาริมแม่น้ํากลางทุ่งนาเป็นต้นมาสนทนากันมโนกระตุ้นเรื่องเราความสนใจของบุคคลให้พุ่งไปที่จะหาความสงบความเป็นตัวของตัวในสถานที่นั้น นั่นคำพูดในลักษณะนี้แต่ละข้อจึงไม่เพิ่มกิเลสไม่ใช่เรื่องท้าดีท้าต่อไม่ใช่เรื่องของการด้วยยุยยวให้เกิดความเปลื้อหงหลงไหลหรือว่าเกิดความกัดเขื่อนกับแคนขึ้นมาภายในใจยอย่างนี้เราเรียกว่าสัพพายะกถาเพราะแนววสปายะกถาที่ท่านสอนเอาไว้ในที่ต่างๆเช่นธรรมเทีสนามใหม่บูรณาสําเร็ดโดยการแสดงธรรมธรรมะสอนามัยบูรณาสเม็ดโดยการฟังธรรม การสนทนาทำตามการการถามปัญหาตามการแต่ย่านั้นเป็นมงคลในชีวิตของบุคคลเพราะยประการสนทนาทำตามการก็ดีการฟังทำตามการก็ดีโดยการคิดค้นพิจารณาธรรมะตามการที่สมควรก็ดีทุกขั้นตอนของการกระทาจะน้มนำจิตใจของบุคคลให้เข้าสู่ผลที่พึงปรารถนาะจะน้อยที่สุด ก็จะได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นก็ค่อ ย, อยบัดทเอาความสงสัยลงไปได้โดยลำดับทำความเห็นให้ถูกความต้นให้ถูกตรงตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาดาราพวกฟังไม่ดีแล้วก็จะเกิดปัญญาเกิดความสงบขึ้นภายในใจในขณะนั้นเพราะสปายะกถาคือการสนทนา ก, กัน ในเรื่องที่เกือ้อหนุนตอบกันในเรื่องที่ปลุกปลอบให้เกิดความอาถรรพ์เกิดความเชื่อมัน่นเกิดศรัทธาที่จะประพฤติปฏิบัติยังถือว่าเป็นอุปการธรรมที่มีความสำคัญทุกขั้นตอนของการดาเนินชีวิตไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสมถกรรมฐานเพียงแกนเดียวอีกประการหนึ่งเรื่องของทีนมิทานิวร น, นั้น เนื่องจากเป็นปัญหาต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคคลตัวการที่ให้เกิดท่านมองไปที่ปัจจุบันเพราะเรื่องปัจจุบันเราแก้ได้เพราะเกิดระจากพัตฐะสมถะคือการเมาอาหารพรานการที่จะบรรเทาความรู้สึกตรง น, นี้ก็คือการพยายามลดอาหารแต่มีการความเคลื่อนไหวที่ท่านเรียกว่าปรากมะคือความปากบัน บันทีท่านเน้นว่าดันหะประกักกะมาคือความพยาพ ย, ายามอย่างต่อเนื่งองจริงจังต้องมีการเคลื่อนไหวย่สม่ำเสมอการเมื่อเรา้านอนต่างๆก็จะบรรเทาประบางลงไปตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสุอข่งไป